และก็วันนี้พ่อและลูกบางส่วนที่เดินทางร่วมกันมาก็ยังพักอยู่ที่สถานีตำรวจบ้านรับรองของกองก อ, องกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนเขต8อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพันตำรวจเอกสุ ด, ดินซึ่งเป็นผู้กากับและพันยาให้การรับรองเป็นอย่างดี แล้วก็สำหรับวันนี้พ่อมีเวลาพักมากพราะานอาหารเช้าแล้วก็หลับไปตื่นเราสี่โมงครึ่งหลังจากนั้นก็ฉันเพนฉันเพนไม่ค่อยจได้นะักเพนอนอิม่มตอนกลางวันก็มีเวลาพักผ่อนมากไม่ได้มีโอกาสไปคุยกับลูกๆที่พักแยกกัน ต air, แต่ตอนเย็นลงไปรับแขกแต่ตอนเย็นกลับขึ้นมาแล้วเป็นเวลาสี่ทุ่มเศษกว่าจะลงมือบันทึกเสียงได้ก็รู้สึกว่าใช้เวลาต่อไปสึงชัโมงเสร็จวันนี้ขอคุยกันเป็นพิเศษสักนิดนับตั้งแต่ออกจากวัดมาลูกรักคงไม่ทราบว่าการเดินทางของพวกเรา นั่นเราเดินทางในป่าเสือปา่าตะเคถ้ามันสามารถจะงับได้มันก็งับเราตายไปแล้วแต่อาศัยบา ร, รมีขององค์สมเด็จพระบทณแปวและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายร่มระเทวดาทั้งหมดยังให้การอารักขาลูกรักและพอ่อเพราะว่าพวกเราทั้งหมด มีจิตน้อมไปในมหากรุสคนทุกคนบำเพ็ญตนเป็นปรมัาธบรมีการเดินทางของเราคราวนี้พ่อจะบอกจุดหมายปลายทางนรือว่ายระยะอันตรายมากแต่น้อยให้ทราบนับแต่ออกจากวัดของเรามันก็ไม่ใช่วิญญาณอันตรายเราอยู่ในสายตาของคนพวกหนึ่ง ซึ่งเขาคิดว่าเราเป็นศัตรูกับเขาทั้งๆ ท, ที่เราเป็นผู้ให้แต่น้ำใจเขาคิดว่าเขาเราเป็นศัตรูเขามองดูการเดินทางของเราได้ความสงสัยว่าพวกนี้จะไปไหนกันทั้งนี้ก็เพราะว่าสายของเขานั่นทราบไม่ชัดทั้งวิธีการเดินทางของเรา แต่พออยานเข้าเขตจังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้ก็รู้สึกว่าพ่อกับพบแขกพิเศษคอทวดาเทวดาและพมผมู้มีความเมตตาปราณีตลอดจนทั้งครูบาอาจารย์มีรลงพบอานกินต้นและองค์สมเด็จพระทศพลเห็นชัดเป็นอนุภาองค์สมเด็จพระทรงสวัสดทรงส ง, งา์เมตตาเรา และทุกท่านให้ความเมตตาเราก็ปลอดภัยจ่ายจังห ว, วัดสุไทรทันีที่วัดสุพรรณบุรีไม่มีอะไรมากและก็จ่ายจังหวัดสุพรรณบุรีถึงปลายเขตจังหวัดสุพรรณใต้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าจะเริ่มมีกระแสขึ้นมาบ้างก็นับเข้าตะเขตยํกำแพงแสนไปต้นมา รู้สึกว่าในระยะนั้นเราเย็นมาอยู่ในสายตาที่มีความคมจัดแต่ว่าเขาทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังไม่พร้อมเพราะว่าข่าวที่ได้รับมาเขามันกระชัน้นเกินไปเวลาที่เรามานั่งกินข้าวกันที่จังหวัดนครปฐม ในช่วงนี้ก็รู้สึกว่ามีสายตาที่ดีเป็นกรณีพิเศษคือสายตาที่เต็มเปด้วยความเมตตากราณีก็มีแล้วสายตาที่คิดว่าปกคคลพวกนี้คือพวกเราเป็นภัยสำหรับเขาก็มีเราจะมองเห็นคนสองคนที่นั่งกันอยู่ในร้านอาหาร เขาคุยกันเรื่องการทรมาหากินในการบริโภคแต่คนสองคนนั้นคนหนึ่งพอมีความรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนจังหวัดนคนรปฐมเพราะน้ำเสียงที่สแสดงออกไม่ใช่เป็นน้ำเสียงของจังหวัดนคนรปฐมแล้วก็ไม่ใช่คนจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่ใช่คนจังหวัดราชบุรีเสียงที่เขาพูดออกมานี้เป็นเสียงที่เป็นเสียงดัดแปลงในตาของเขาคล้ายกับว่าเขาไม่สนใจเราแต่ว่าถ้าพ่อทาแกล้งทำเผลอเขาก็จำเลียงดูนี่ก็ดูอยู่บ่อยๆแต่พ่อมองหน้าเขาเขาก็ทำเฉยพูดอย่างไม่สนใจ อาการอย่างนี้เป็นอาการปกติที่พ่อสัมผัสมามันไม่ใช่ของแปลกหลังจากนั้นที่เราเดินทางออกจากจังหวัดนคปรปฐมเลื่อยมาถึงจังหวัดราชบรุรีตอนนี้พอเริ่มเข้าเขาย้อยลูก ร, รักเป็นระยะทางที่เราเดินอยู่ในปาาส่วนเก ข, ของเสือ สองฝ่าทางของเราเต็มไปได้วยพวกที่เป็นศัตรูกับรัฐบาลเราเห็นว่าพระบาะทสมเด็จเจ้อยู่หัวเป็นศัตรินาใหญ่เป็นที่รวมกําลังใจคนเขาไม่ชอบแต่ได้ว่าอย่าสนใจคนทุกคนนะว่าคนทุกคนไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดแต่ว่าส่วนใหญ่ของคนบางพวกเขาติดตามเราเขามองเราตลอดเวลา ภาณฑีเขาใช้มีทั้งรถเกนแล้วมีทั้งรถมอเตอร์ไซมีการรับช่วงกันเป็นทอดทอดหลังจากที่เราออกจากจังหวัดเพชรบุรีสําหรับจังหวัดเพชรบุรีนี้ก็เป็นจังหวัดที่มีความสําคัญเหมือนกันตลอดสายพอเข้าเขตปราณบุรีปุยบุรีตอนนี้สิ ตอนนี้เป็นระยะที่มีทางแคบเขตเ่าเทศไทยแคบลงมาทุกทีทุกทีจนทั้งถึงจังหวัดประโจคีรีขันตอนนี้คณะเขาบอกคนพวกนั้นแน่นขนาดเขาก็จับสายตาเรามองเราตลอดเวลาแต่ได้ว่าผมคิดว่าพ่อคิดว่าด้วยอำนาจบารมีของสมเด็จสกิณาศี และพระอริยเจ้าทั้งหมดครมนาทิวดาทั้งหมดท่านกำบังจิตที่กำบังใจทำาห้ตาเพราะนั่นหลายมองยี่ข้อของเราไม่ชัดตอนที่รถของพ่อต้องมาท่อน้ำแตกยางน้ายางท่อน้ำแตกตอนนั้นลูกคงจะจำได้ว่าไปเขตคุยบุรี กุยบุรีนี่ตำรวจเคยเสียชีวิตเป็นคันคันรถและก็เป็นจุดที่มีกำลังสำคัญเคยประทะากับเจ้าหน้าที่แถวนี้ทั้งหมดย้อนทั้งถึงฝักใต้พ่อเคยมาแจกผ้ายันมหาวิชัยสงขราเป็นการป้องกันกำลังตำรวจทหารด้ยวยหนาจพระพุทธบรมีแต่วความจริงถ้าหากว่า บุคคลใดเขามีความเคารพจริงเขาก็สามารถจะคุ้มครองชีวิตเขาได้แต่เขารับไปเพียงแต่สักแตว่ารับนั่นเขาเป็นเกินวิสัยที่พระที่ท่านจะช่วยอาศัยที่พ่อเดินทางมากับท่านมีภาวดีบ่อยๆทุกคนเขาได้ยินชื่อพ่อดีแต่แต่ว่าตัวท่านนั้นนลูกรัก เขารู้จักกันน้อยโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งในจังหวัดรับตั้งแต่จังหวัดสุมพรลงมาคนรู้จักพ่อน้อยเต็มทีจึงกว่าจะถึงจังหวัดประโจกิรีขันคนรู้จักมากหน่อยเพราเคยมาขุดบอ่อน้ําสงเคราะห์เขามีความสุขกันเราเป็นผู้ให้เราไม่ได้เป็นผู้รับเรนี่ว่าถึงด้านวัตถุ แต่ผลเรื่องการให้มันก็เป็นผลกำไรของผู้ให้ที่จะต้องรับคือความรักผู้คนใดที่รับการเกือ้อกูลเขาก็มีความรักในเราที่ทำให้เราเบาใจเมื่อเดินทางจากประจวบคีรีขันมาจะเข้าเขตจังหวัดชุมพรเขตจังหวัดชุมพรถ้าเรามองกันอย่างประเทศตะซตาตคนธรรมดาจะว่าเป็นบ้านเมืองที่มีความสงบ แต่นั่นเป็นจุดเพราะกำลังค้นฝ่ายตรงกันข้ามกับรัฐบาลพ่อไม่ถือว่าเขาไม่พูดตรงกันข้ามกับพ่อเพราะว่าคณะของเราไม่ซ้ายไม่ขวาไม่เขียวไม่แดงไม่ขาวแต่เป็นคณะเหลืองเหลืองเป็นธงชัยของพระอรหันต์เป็นคณะที่ประกอบด้วยความเมตตาปราณีเราไม่เห็นใครเป็นศัตรูสำหรับเรา ส ำ, ส, สำหรับเขาเย็นเมื่อเราเป็นศัตรูสําหรับเขาก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราเป็นผู้รักเขาเมตตาเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขหลังจากออกจากจังหวัดชุมพรรุ่ยมาจงกรทั้งเข้าถึงเขตจังหวัดสุราธานีตอนนี้ไม่ต้องห่วงละไปราะนั้น เ, เราเดินอยู่บนฟันของเสือเล็กกว่าจะถึงทุ่งสงออกจากทุ่งสงไปถึงจังหวัดยะลาก็มีสภาพเช่นเดียวกัน ในช่วงแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชทงสงนครศรีธรรมราชก็มีจุดสําคัญอยู่จุดหนึ่งระหว่างกลางทางที่จะเราจะไปจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเป็นจุดหมายที่มีความสําคัญมีการปล้นจีแล้วก็จี้รถกันอยู่เสมอๆถ้าคิดว่าบ า, า, า, ารมีเขาองค์สมเด็จพระจีนศสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคงจะสงเคราะห์เรา ให้ปลอดภัยขอย้อนกลับไปจังหวัช บ, บีเมื่อถึงจังหวัช บ, บีโดยท่านหม่อมหลวงวรวัตรเป็นโคนำเราได้รับความเมตตาปราณีจากท่านอย่างเกินคาดความจริงความเมตตาอย่างนี้เคยมีมาแล้วมา่อ 2,518 คราวนั้นคณะของพ่อมาในเครื่องบิน ลงที่ภูเก็ตแล้วท่านหม่อมหลวงวลวัฒน์ไปรับที่ภูเก็ตให้ชมจุดต่างๆขององค์การไฟฟ้าฝ่ายผลิดเลี้ยงสงเคราะห์พักอย่างมีความสุขเราเที่ยวภูเก็ตกันตลอดจังหวัดมาเที่ยวมาพังงา ม, มาจังหวัดกำบีออกจากกำบีแล้วก็ไปพระนครศรีธรรมราช ไปตรงังไปพัทลุงไปจังหวัดสงขลาคอาวนั้นแงจกระทั่งนำออกนอกประเทศไปถึงมาเลเซียหรือจังหลนฐานะตอนนั้นเป็นของท่านหม่อมหลวงวรวัตรทั้งหมดแล้วก็นำเที่ยวในทะเลค่า ใ, ใช้ใจ่ายของท่านหลายหมืน่น แต่ว่าถ้าราจะถามเรื่องความชนดช่วยในการใช้จ่ายท่านก็ไม่ยอมบอกเป็นอันว่าท่านผู้นี้มีอารมณ์ประกอบเป็นความเมตตาปราณีเป็นกรณีพิเศษยากที่เราจะหาบุคคลประเภทนี้คื อ, อยังมองมหลวงวรรษได้เป็นอันว่านําใจของท่านผ่องสายจริงๆโลกูกขยายงานก็ท่านแล้วว่าท่านควบคุมตั้งแต่จังหวัดชุมพร ลงไปถึงในจังหวัดยะลาและนาราธิวาสกำลังคนในบังคับบัญชานับเป็นจำนวนพันมันมีความหนักเพียงใดที่เราจะบังคับบัญชาคนแต่ว่าอาศัยที่นำใจของท่านมีความเคารพในองค์สมเด็จพระพุทธสทนมันในทานการบริจาคมันในสีนที่จะพึงรักษา มั่นในวิปัสนาที่จะพึงปฏิบัติอันนั้นเรามาคราน้นี้ท่านก็ต้องใจามากหนักอยู่แต่ว่าความมั่นในความดีที่องค์สมเด็จพระปรมโคสอนท่านซึ้งอยู่ในจิตท่านไม่ยอมให้เราใจาอะไรเส้นเลยก็ไปที่หน้าเกรงใจให้าเย็นจะบอกว่าปีหน้าจะบาัานสร้างบา้านรับรองกันใหม่อีกหนึ่งหลัง รงวมกันข้างกับอาคารรับรองที่บรรดาลูกคักทั้งหมดพักกันท่านบอกว่าจะรับรองคนได้ประมาณร้อยคนและในปีต่อไปก็ยังจะคิดว่าจะพาพวกเราไปพักในเกาะคนลืมชื่อกลางทะเลเป็นเกาะที่มีความสวยสดงดงามมากก็ไป็นอนข้างแรมกันประมัน ต้องใช้เวลาประมาณสั ก, ส, กสองคืนจึงจะจบตามที่เราบอกไอ้ทราบว่ากาะ น, นี้มีความสวยสดุดงามมากเมื่อใช้เรือที่มีความเร็วไปในทะเลต้องใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงเศษเรือที่มีระยะความเร็วช้าต้องวิ่งถึงสามชมั่วโมง เป็นเกาะที่พระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงชอบมากเห็นจะเป็นเกาะที่ท่านหญิงวิภาวดีบอกเป็นสำคัญเป็นว่าน้ําใจอย่างนี้บรรดาลูกรักทั้งหลายคนจะจำไว้เป็นตัวอย่างว่าเราไม่ต้องใจยอย่างท่านแต่ว่าทําน้ําใจอย่างท่านคื้นหนึ่งมีเมตตาปราณีทรงพระมิหารสีเป็นปกติ สองท่านมีศีลบริสุทธิ์สามทายการบริจาคตางกําลังแล้วก็สี่การเจริญสมถะกรรมฐา น, านมีปรัสนากรรมฐานให้เราเพ่งครัด <c oughs> ถ้ากําลังใจอย่างนี้ลูกรักทั้งหมดถ้าทรงไม่ได้คําว่านิพพานไม่มีของสําคัญไม่ยากนักสําหรับพวกเราตอนนี้เราก็แวะเข้าจังหวัดกระ บ, บี่กันสักทีหนึ่ง เพราะว่าจังหวัดกระบีบบ่เมื่อเราแม้เข้าไปแล้วก็วันนั้นก็เห็นจะเป็นวันที่สิบเจ็ดก็ก็เป็นเวลากลางคืนเราเข้าไปพักกันมีความร่มเย็นเป็นสุขอาหารการบริโภคทันเลี้ยงพอเวลาตอนเช้าเอเข้าถึงเข้าถึงที่พักเวลาสิบแปดนฬิกากับเก้านาทีพอจดไว้ สิบแปดนาิกาสิบเก้านาทีเข้าเขตพังงาไปน้าก็ช่างเถอะเราเข้าที่พักกันก็แล้วกันลุ้งขึ้นวันเวลาเก้านกาสามนาทีเราก็าไปเที่จังหวัดพังงากับท่านตอนนี้ก็วิ่งรถกันไปพอเข้าเขตจังหวัดพังงาเป็นเวลาสิบนาฬิกาสามสิบนาทีคณะของลูกไปปากอาวพังงากัน พ่อกรแวะเข้าที่ตลาดฉันอาหารที่โรงแรมปรากฏว่าปั้มน้ามันนี่เป็นปั้มที่ท่านหมอมหลวงวรวัตรท่านสั่งไปใช้ในโรงงานอยู่เสมอพอฉันเสร็จปลายกฏว่าจะของโรงแรมและจะของร้านอาหารไม่ยอมเก็บเงินแต่ในขณะนั้นก็ปรากฏว่ามีคนหลายคนเขาสนใจในพ่อแต่ความจริง เขาสนใจนั้นจะคิดว่าเขาเป็นผู้ก่อการร้ายมันก็ไม่ถูกที่จะเพ่ินภัยอันตรายสำหรับเราก็ไม่ถูกเพราะว่าคาว่าหรื่องสีแดงดำเป็นที่รู้จักของคนมากตลอดจนมท่านลูกสาวเจ้าของร้านและตัวท่านเจ้าของร้านเจ้าของโรงแรมเจ้าของปั๊มน้ำมันหนึ่งสองปั๊มก็บอกว่ารู้จักแต่ชื่ออ่านแต่นังสีก็มีคนมากบอกอย่างนั้น ท่านสนใจแล้วเราสนใจเหรียญแหนบกทก่ตั้งเห็นของที่พวกเราติดไปมีคนมาถามว่าจะขอซื้อได้ไหมนี่เป็นอันว่าทุกคนท่านสนใจก็เลยเอาเหรียญแหนบแจกเขาให้ให้ท่านไปรู้สึกท่านก็ดีใจมากจากของร้านแจกไปสิบห้าเหรียญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลุกสาวของท่านสองคนสนใจเป็นพิเศษรู้สึกว่าเธอทั้งสองคนมีความเก่งกล้าในการค้าขายคนหนึ่งคุมปั้มน้ำมันสารทหารอีกคนหนึ่งคุมปั้มกาดดาวเจ้าสุนัขน้อยตัวหนึ่งสีดำมีปลอกคอ พอไปถึงเขาเข้ามาหาพ่อก็เลี้ยงอาหาร给他เขารู้สึกว่าเป็นสุนัขที่มีความจงรักภักดีมีความรู้มากตอนเดิกลับพ่อชนเข้าไปด้วยใช้ก็วิ่งตามมาทํำท่าจะขึ้นรถรู้สึกว่าเจ้าตุนักตุนนี้น่ารักจริงๆหลังจากนั้นพ่อก็เดินทางไปสมทบกัมมันดารูกรักที่อยู่ที่ปากอ่าวไปนั่งอยู่ที่ด่านพอนดี ท่านเจ้าสัวเจ้าสัวของเราก็ชอบกับนายด่านแต่เวลาขณะที่ไปก็รู้สึกว่ายังไม่มีอะไรกันมากเข้าไปพักในเขตด่านด้ความจริงพ่อก็ไม่รู้จักว่าบนด่านด่านนั้นตั้งอยู่เงียบเงียบงานไม่มีพ่อคิดเรื่องสารเจ้ามากกว่าถ้าจะเรียกสารเจ้าก็ต้องเราเรียกสารเจ้าท่า เมื่อท่านมอมหลวงวรวัตรได้เรือแล้วก็ลงเรือไปปีนี้เราลงเรือใหญ่ปี่เบสร์หนึ่งแปใช้เรือหางยาวฝนเปียกฝนกันมากออกจา ก, กเกาะไปห น, นี้เข้ามาเกาะทะลุลอดช่องเขาตอนนั้นลอดมาแล้วปลากดเรือไปชนไม้เรือแตกน้ำเข้าเรือต้องวิจัยเสกไปแย่เรือล่มในะทะเลที่มันไม่สนุก เมื่อโรงเรือได้ความเช่นบานอันษาเรือปีนี้เขาก็ชวนชมดีทุกทางดูภาพโบราณที่เขียนกับเขาติดกับเชิมเชิงหินเอาไว้เป็นรู ป, ปราบ้างเป็นรูปคนบ้างมองดูก็เป็นภาพแ ย, ยาบหยาบแต่ความจริงเข้าใจว่าคนเขียนเขาจะไม่ได้ตั้งใจอวดพวกเราแต่ว่าเราเขาเห็นว่าเป็นภาพที่ไม่มีใครเขียนในปัจจุบันก็ เ, เห็นไม่ของอัศ จ, จรรย์ อ้าท่านโูนนั้นท่านเกิดมาทัานพวกเราแล้วก็ทราบว่าเราไปชอบฝีมือเกยงของท่านท่านคงจะภูมิใจมากเมื่อไปถึงเกาะปัญญีเขาก็พาเราแวะเข้าไปชมทิวทัศน์นตามปกติแต่ว่าปีนี้ที่เราไปนี่กาะปัญญีรู้สึกว่าจะมีดีน้อยไปนิดหนึ่ง ความจริงเขาสร้างสวยท่าเรือคนดีสมัยก่อนที่พ่อไปไม่มีท่าเรือไม่มีสิ่งที่น่าประทับใจแต่ถ้ว่าอาศัยคนที่ไปเที่ยวมากขึ้นเกอบปัญญีได้กลายเป็นเกาะที่มีความร่ำรวยท่าเรือสวยนี่อสิ่งที่ประทับใจพ่อยอย่างหนึ่งการไปเที่ยวปีที่แล้วมารลีไปด้วยรายกฏว่า มาลีไปถามคนหนึ่งว่ามีลูกกี่คนคนหนึ่งตอบว่ามีลูกแปดคนอีกคนหนึ่งบอกว่ามีลูกสิบสามคนมาลีถามว่าทาไมยจงมีมลูกมากนักแกแต่งงานมาตั้งสามสิบปีแกมีลูกเป็นสามคนหน้ามนคนสวยข้าเกาะปัญญีก็บอกว่าก็ขี้เกียดนี่ก็มีลูกน้อย แดงว่าพวกแกขยันเก็บบอวาที่นี่หนังก็ไม่มีดูที่เที่ยวก็ไม่มีพอค่ำลงไม่รู้จะทำอะไรก็ทำลูกกันต่อไปพูดอย่างคนพูดเสือสือส่อสือ่อพูดตรงไปตรงมาแต่พ่อฟังแล้วพ่อก็หนักใจเหมือนกันลูกตั้งแปดคนลูกตั้งสิบสามคนนี้เลี้ยงกันยังไง แต่เขาก็มีความสามารถเพราะว่าทั่วทประเทศให้ประโยชน์แก่เขาโรงเรียนของเขาก็สวยโรงเรียนโรงเรียนนี้ปรากฏว่าได้ชนะการประกวดทุกปีเรื่องความสะอาดพ่อก็เห็นด้วยเพราะเป็นโรงเรียนในทะเลไม่มีฝุนละอองถ้าโรงเรียนนี้สุขภัณฑ์ก็แสดงว่าโรงเรียนทั่วประเทศสุขภัณฑ์ยิ่งกว่านี้ทั้งหมด หาดทรายปีนี้แห้งเห็นชัดโัติที่เกาะปันหยีน้ําจะลึกเราเดินไปเย็นว่าเก่อปันหยีน้ําแต่ว่าเวลาน้ําทะเลลงก็จะเห็นหาดนานๆเพรา ะ, ะเห็นสักครั้งหนึ่งต่อไปพอคิดว่าคงไม่เกินทั้งห้าสิบปีเกาะปันหยีก็จะหมดสภาพเป็นความเป็นเกาะก็จะต้องเป็นผืนแผ่นดินที่ติดกับผืนแผ่นดินใหญ่ แล้วก็จะเป็นเนื้อที่อาไปให้คนอยู่อาศัยอีกมากที่ท่านบอกว่าทะเลงอกอย่างเมื่อสมัยองค์สมเด็จตถาสมาสัมพุทธเจ้าทรงบ่าขึ้นทรงมาโปรดฉาพันเรืองสีที่สระบุรีในเวลานั้นท่ากล่าวว่าสระบุรีนี่เป็นเขตชายทะเล มีเรือสำเภาจอดข้าน้องชายก็งท่านขับกันเราะสีท่านเป็นพ่อค้าสำเภาไปขายของอย่างประเทศอินเดียไปทราบข่าวว่าองค์สมเด็จตัวสัมมาฯพระพุทธเจ้าทรงบัตรกินแล้วในโลกมีบุคคลผู้ปฏิบัติตามเป็นหลานมากท่านขับพันลงเรือสีอยากจะเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคไปไม่ได้ จึงตั้งสติญาติฐานค่อยองสมเด็จพระจอมไตรบรมสาสันดามาโปรดพระพุทธเจ้าก็ทรงมาโปรดรู้สึกว่าจะเป็นพรนสาที่เจ็ดหลังจากพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณแล้วระยะเวลานี้ถ้าบังเอิญข้อจาผิดไปบ้างก็ขออภัยด้วย ช่วยให้อภัยใจคนแสลลูกรักเวลานี้มองดูเวลาที่บันทึกเสียงก็เห็นว่าหมดเวลาเสียแล้วพ่อเทพจะหมดหน้าสำหรับหน้า น, นี้ก็ขอยุติ ว, ว่าจะเพียงเท่านี้เพราะความสุขสวัสดีจงมีแด่ลูกรักทุกคนสวัสดี